ญาติโยมมาจากที่ไหนกันบ้างเนี่ยมันจากที่ไหนบางเสเล อ, อยู่ใกล้ๆนี่เนี่ยกรุงเทพทงเนี่ยกรุงเทพนะเ พ, ะพิ่งมาครั้งแรกเลยทำไมอะไรทำให้มาที่นี่กันนะเป็นรู้จักที่นี่ได้ยังไงเคยติดตามอาจารย์อยู่ครับ ติดตามทางไหนเออมีออกทางสื อ, งอีอะไรพนี้เอออืมจะมาสามสี่คนยังไม่เคยได้ขึ้นมามเพเดนเที่ยวเนี้ยได้ขึ้นมาอืมมาเราอยากจะได้อะไระได้ธรรมะครับธรรมะอ่ะาธรรมะเดี๋ยวนี้ก็มีทุกแห่งทุกคนอยู่ในมือถือนี่ก็มีเยอะยะ กดเปิดดูได้ yeah. ที่นี้ก็มีถ่ายทอดสดทุกวันผ่านทางยูทูบเฟซบุ๊กช่วงบ่ายสองเมงถึงบ่ายสามโมงสี่สิบห้ า, อ, าอยู่ที่ไหนก็ติดตามกันได้มีคนติดตามในประเทศก็ต้องหกสิบกว่าจังหวัดแล้วมั้ง ต่างประเทศก็มีอยู่สี่สิบกว่าประเทศแต่ธรรมะก็เป็นธรรมะอันเดียวกันคําสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนเหมือนกันแต่ธรรมะนี่อานก็เป็นเหมือนอาหารธรรมะนี่เปรียบเหมือนกับอ่าของที่เราเอามาทําอาหารเช่นเนื้อผักน วิธีปรุงอาหารทำอาหารของร้านอาหารแต่ละร้านก็ไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่เอามาทำเป็นอาหารก็เหมือนกันคือของไปซื้อที่ตลาดซื้อเนื้อซื้อผักซื้ออะไรต่างๆแล้วก็แล้วแต่คนที่ซื้อจะเอามาประกอบอาหารนั้นอย่างไร อาหารบางบางร้านก็น่ารับประทานบางร้านก็ไม่น่ารับประทานอยู่ที่คนทำอาหารว่ารู้จักวิธีทำอาหารที่ทำให้น่ารับประทานหรือไม่เราจึงมีร้านอาหารที่มีชื่อเสียงมีคนไปรับประทานกันเยอะแล้วก็มีร้านอาหารที่ไม่ค่อยมีคนไปรับประทาน เพคนที่ทําอาหารทําเป็นทําเก่งบางคนทําไม่เป็นทําไม่เก่งพอรับประทานแล้วไม่ไม่ถูกปากรับประทานไม่ลงเจะอาจจะเค็มเกินไปจืดเกินไปเผ็ดเกินไปหวานเกินไปก็เลยทําให้ไม่น่ารับประทาน ธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนอาหารที่ผู้ที่เอาธรรมะมาสั่งมาสอนมาเผยแผ่นี้จะมีความรู้ความสามารถในการสั่งสอนไม่เท่าเทียมกันวิธีสอนวิธีอธิบายคนฟังแล้วฟังเข้าใจหรือไม่ถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจมันก็เหมือน รับประทานอาหารที่ไม่ถูกปากแต่ถ้าฟังแล้วเข้าใจได้รสชาติฟังแล้ว เ, เกิดเกิดความสุขฟังแล้วเกิดความอยากจะฟังอันนี้ก็เป็นเหมือนอาหารเห็นธรรมะที่มีอยู่ตามวัดต่างๆก็เป็นอย่างนั้น วัดต่างๆก็เป็นเหมือนร้านขายอาหารขายธรรมะพระที่อยู่ในวัดก็เป็นเหมือนกับพ่อครัวที่ทำอาหารเะนั้นแต่ละวัดก็อาจจะมีพ่อครัวที่มีฝีมื อ, อไม่เหมือนกันบางวัดก็มีคนไปกันเยอะบางวัดก็มีคนไปกันน้อย ก็เพราะว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าที่เอามาแสดงเอามาสอนนั้นแสดงไม่เหมือนกันธรรมะอันเดียวกันแต่วิธีแสดงวิธีสอนอาจจะไม่เหมือนกันการอธิบายการยกตัวอย่างการแสดงเหตุแสดงผล ของธรรมะไม่เหมือนกันคนฟังก็เลยได้รับความรู้ความเข้าใจไม่เหมือนกันที่ไหนที่ฟังแล้วเข้าใจง่ายฟังแล้วเอาไปใช้ประโยชน์ได้ก็จะมีคนไปฟังกันมากที่ไหนฟังแล้ว ไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องว่าฟังอะไรฟังแล้วเอาไปทำประโยชน์ไม่ได้ก็จะไม่ค่อยมีคนฟังกันทำไมธรรมะที่แสดงแล้วคนฟังไม่รู้เรื่องส่วนหนึ่งก็เพราะว่าไปยึดติดกับภาษาของพระพุทธเจ้าคือภาษาบาลีบางแห่งนี้ จะยกบาลีขึ้นม า, อาเอเสวานางจะบาลานังบันติตานันจะเสวานาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังกัลมุตัมมังยากอยู่รู้เรื่องไหมเข้าใจปะ่ะนั่นแหละวัดส่วนใหญ่เขามักจะชอบเอาบาลีมาเอามาขายคนคนฟังนี่ฟังไม่รู้เรื่อง ่ท่านคิดว่าศักดิ์สิทธิ์ไงเพราะว่าเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าใช้ภาษานี้เวลาแสดงธรรมใช้ภาษาบาลีพวกที่เรียนบาลีเขาก็เลยถือว่าต้องอนุรักษ์ภาษาบาลีไว้เก็ไม่รู้ว่าภาษาบาลีเป็นเพียงสื่อสิ่งที่ควรจะอนุรักษ์ไม่ใช่ภาษา สิ่งที่กวรจะน่ารักก็คือธรรมะที่ใช้สื่อคือภาษาบาลีนี้มาเป็นสื่อสั่งสอนแต่ท่านไม่ดูว่าสมัยนี้คนพูดภาษาบาลีกันหรือพูดภาษาไทยกันท่านพูดภาษาบาลีแต่คนฟังพูดภาษาไทยกำลันคนไทยคุยกับฝรั่ง ฝรั่งก็พูดภาษาฝรั่งคนไทยก็พูดภาษาไทยก็เลยคุยกันไม่รู้เรื่องฟังกันไม่รู้เรื่องอันนี้ก็คือทําไมวัดที่ไม่มีคนไปฟังทำกันก็เพราะว่าฟังไม่รู้เรื่องอนอกจากภาษาบาลีแล้วยังมีปาษาถ้าเป็นภาษาไทยก็เป็นราชาศัพท์ซะอีกพระเนตรพระกันพระอะไรต่างๆอ คนฟังสมัยนี้เขาไม่ได้ศึกษาราชาศัพ์กันเก็เป็นชาวบ้านคนธรรมดาตาก็ว่าตาหูก็ว่าหูจมูกก็ว่าจมูกแต่ถ้าอยากจะอนุรักษ์ราชาศัพ์อยากจะอนุรักษ์บาลีธรรมะก็จะไม่เข้าใจคนจะไม่เข้าใจความหมาย ของคำศัพท์ต่างๆเหล่านี้อันนี้คือสาเหตุที่ส่วนหนึ่งคนเบื่อฟังเทศฟังธรรมกันเพราะว่ามาฟังแล้วไม่รู้เรื่องเวลาพระสวดนี่ก็สวดบาลีกันโยมฟังแล้วก็ไม่รู้สวดอะไรไปงานศพก็สวดบาลีไปงานแต่งงานไปงานวันเกิดไปงานขึ้นบ้านใหม่ ก็สวดบาลีกันไปคนฟังเลยไม่อยากจะฟังกันเราเคยรับกินนิมนต์ไปงานเลี้ยงของโยมที่บ้านเวลาไปนี่เขาก็จัดที่ให้พระนั่งสวดแล้วก็มีคนแก่อยู่สองสามคนมานั่งฟังส่วนคนหนุ่มคนสาวเขาก็อยู่ในครัวบ้างอยู่ที่หน้าบ้านคอยรับแขกบ้าง คอยต้อนรับแขกคอยพาแขกไปนั่งโต๊ะไปอะไรกันแต่คนที่มาฟังพระสวดจริงๆมีแต่คนแก่ๆสองสามคนปุ่ย่าตายายก็ฟังก็นั่งสับประงบฟังไปพระก็สวดไปเพราะไม่รู้ว่าสวดอะไรสวดไปทำไมทิมความเชื่อคิดๆว่า คำสวดนี้เป็นของขังสวดแล้วจะไล่ผีไล่ภัยต่างๆไม่ให้เข้ามาที่บ้านาที่นิมนต์พระไปสวดก็เพราะบางทีมีเหตุการณ์ไม่ดีที่บ้านเช่นคนตายหรือขโมยชอบขึ้นบ้านบ่อยก็เลยคิดว่านิมนต์พระมาสวดคาถาของพระที่สวดจะได้ขับไล่พวก สิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้มันออกไปจากบ้านเพื่อจะได้เป็นสิริมงคลอันนี้เป็นการกระทำที่ไม่ตรงกับหลักธรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยพระพุทธเจ้าสอนว่ามงคลนี่เกิดอยู่ที่การกระทำของเราเองการกระทำทางกายทางวาจาทางใจ ถ้าเราทำไม่ดีมันก็จะมีแต่เรื่องไม่ดีเข้ามาหาเราถ้าเราทำดีมันก็จะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาหาเราแต่ไปยึดไปติดกับพระว่าเป็นผู้มีคาถาอาคมคิดว่าบทสวดมนต์ต่างๆของพระนี้เป็นคาถาที่จะมาขับไล่สิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ให้ให้ให้หายไป อันนี้ไม่ใช่คําสวดของพระก็คือคําสอนของพระพุทธเจ้านี่เองที่ได้รับการอนุรักษ์มาเป็นภาษาบาลีจนมีแต่การสวดแต่ไม่มีการเข้าใจว่าสวดอะไรกันแม้แต่พระที่สวดก็ไม่เข้าใจว่าสวดอะไรทุกคนเลยกลายเป็นเหมือนนกแก้วรู้จักนกแก้วไม เวลาเราเจอนอกแก้วเราจะมักจะเรียกมันแก้วจ๋าแก้วจ๋ า, ามันก็ตอบแก้วจ๋าแก้วจ๋ากับแต่ไม่รู้ความหมายว่าแก้วคืออะไรพอหยิบแ ก, ก, แวบก้วให้มันมันก็เขี่ยทิ้งพอหยิบกล้วยให้มันมันก็คว้ามัฟพวกเราตอนนี้ไปหลงติดอยู่กับอภาษาบาลีคิดว่าเป็นคาถาอาคม แต่ไม่ใช่พุทธศาสนานี้ไม่ใช่พุทธศาสนาที่สอนเรื่องคาถาอาคมอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ต่างๆถึงแม้จะมีก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะทำให้เราดีไปกับสิ่งเหล่านี้แล้วสิ่งเหล่านี้ที่เป็นอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์มันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากเกิดได้กับคนบางคนที่มีพลังจิตสูงเท่านั้น แต่สําหรับคนทั่วไปนี้สิ่งที่มีผลกระทบต่อชีวิตของเรามากที่สุดก็คือการกระทําของเราเนี่ยที่เรียกว่ากรรมเลยการกระทําทางกายทางวาจาและทางใจการกระทําทางวาจ า, าก็คือการพูดการกระทําทางกายก็คือการใช้ร่างกายทําอะไรต่างๆใช้ร่างกายไปขโมยใช้ร่างกายไปฆ่า อย่างนี้เรียกว่ากรรมเรียกว่ากรรมที่ไม่ดีบาปฆ่าสัตว์ไม่ดีรักทรัพย์ไม่ดีประพฤติผิดประเวณีไม่ดีพูดปดไม่ดีดื่มสซรายาเมาไม่ดีทำแล้วจะเกิดความเสียหายให้กับคนทำและคนที่ถูกทะ คนที่ถูกทำก็เดือดร้อนเจ็บเนื้อเจ็บตัวหรือถึงกับเสียชีวิตไปเสียทรัพย์สินไปคนที่ไปทำก็จะต้องถูกจับลงโทษไม่ช้าก็เร็วไม่ถูกจับในภพนี้ชาตินี้ก็เวลาตายไปก็ถูกกดแห่งกรรมจับไปขังในอบายต่อไปนี่แหละคือสิ่งที่ พระเจ้าสอนสิ่งที่พระสวดกันแต่พระไม่สวดภาษาไทยญาติโยมเลยไม่รู้เนี่ยที่ท่านสวดมงคล3าสบแปเนี่ยอาเซวนาจะบาลานางังบันดิตามันน่าจะสวดเป็นภาษาไทยเออเอาเซวนาจะบาลานางังก็แปลว่าอย่าคบคนพานอย่าคบคนโง่ให้คบบัณฑิตเออบูชาบุคคลที่สมควรแก่การบูชา เป็นมงคลอย่างยิ่งเนี่ยคนจะสวดภาษาไทยคนฟังจะได้มานั่งฟังกันเยอะๆแต่ไปสวดบาลีมันก็เหมือนกับเรียกฝรั่งมาสอนภาษาอังกฤษให้เราพวกเราพูดภาษาไทยฟังก็ไม่รู้เรื่องเนี่ยนี่คือข้อบกพร่องของศาสนาเราพวกเรานี้อยู่ใกล้ศาสนาแต่ไม่รู้จักศาสนา สู้พวกต่างชาติที่เขาอยู่ใกล้ศาสานากับเราพราะเข้าเขาเขา้เขาถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยคำสอนของพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้ได้มีการแปลเป็นหลายภาษาด้วยกันกลายเป็นภาษาอังกฤษเยอรมันรัสเซียภาษาจีนภาษาแขกภาษาอะไรพอชาวต่างประเทศเขาอ่านภาษาของเขาเขาก็เข้าใจเขาเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไร ก็สอนเรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยสอนให้ทำดีคิดดีพูดดีทาดีแต่พอเราคนไทยนี้มันกลับมาสอนภาษาบาลีกันมาเรียนคนฟังก็ฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยก็เลยทำให้คนไทยเราเข้าไม่ถึงพระธรรมของพระพุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธเจ้ า, ากลับไปเข้าเข้าไปถึง สิ่งที่ไม่ใช่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าไปกับความเชื่อที่ผิดไปความเชื่อที่ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับคำสอนของพระพุทธเจ้าเลย mm. เชื่อแปลกๆมีหลายอย่างบางบ้านบางบางบ้านา น, นี่เวลาพระบิณฑบาตห้าไ ม, ม่ให้พระมาสี่รูป ถือว่าสี่รูปเหมือนมามาสวดผีเหมือนอย่าง น, นี้ก็ไปยึดติดกับไม้ตัวเลขเพอเห็นว่าเวลาไปงานศพทีไรก็มีแต่พระสี่รูปมาสวดเเนียอพอมีพระมาบินบาศสี่รูปนี่กลัวเดี๋ยวพระจะเอาจะมาทําให้คนที่บ้านตายกัน <c oughs> <c oughs> ก็เลยนิมนต์อย่ามาทนะ่านจะมาสี่รูปสามรูปได้ห้ารูปได้ หนึ่งรูปได้สองรูปได้แต่พอสี่รูปนี่มาไม่ได้นี่มันเป็นเรื่องของความงมงายเรื่องของการที่ไม่ได้มีการศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้ากันเชื่อกันมาแบบผิดผิดเนี่ยเห็นพระกายเป็นเหมือนกับเออเป็นเป็นพวกที่จะมาปัดเป่า ภัยพิบัติอะไรต่างๆเรือมาจับมามาเชิญดวงวิญญาณะตายแล้วกลัวดวงวิญญาณยังอยู่บ้านก็นิมนต์พระมาเอเพื่อพระจะได้เชิญดวงวิญญาณไปพระก็เป็นคนเหมือนเราะเราก็เป็นคนถ้าเราเชิญดวงวิญญาณไม่ได้แล้วพระจะเชิญได้ยังไงใช่หไหมไม่คิดกันเลยฮ อันนี้เป็นความเข้าใจผิดหน้าที่ของพระเลยถูกบิดเบือนไปหมดทั้งตัวพระเองก็บิดก็เชื่อตามชาวบ้านก็ไปด้วยมาบวชก็มาคิดว่ามาบวชเพื่อมาทำหน้าที่เชิญดวงวิญญาณมาปัดเป่าภัยพิบัติให้ญาติโยมมาทำคาถาอาคมมาเสกมาเป่ามาเป็นช่างตัดผมเนี่ยเห็นไม เด็กออกมาก็ต้องให้พระมาตัดผมก่อนบางคนก็อาบน้ําไม่เป็นก็ต้องให้พระอาบน้ําให้ก่อนอาบน้ํามนต์เนี่ยพระพระก็คิดว่านี่เป็นหน้าที่ของตัวเอน้องทําหน้าที่เหล่านี้เพราะญาติโยมเขาเขาเลี้ยงดูเราเขาใส่บาตรเขาสนับสนุนปัจจัยสี่ ญาติโยมอยากให้ทําอะไรก็ต้องทําตามที่ญาติโยมขอเอถ้าไม่ทําตามก็ญาติโยมก็จะเสียใจอหาว่าไม่อ ไ, ไ, ไม่เมตตาสงสารพระก็เลยอหลงไปกับญาติโยมไม่รูว่าหน้าที่ของญาติโยมเป็นอย่างไรหน้าที่ของพระเป็นอย่างไรหน้าที่ของพระก็คือมาศึกษา มาศึกษามาปฏิบัติเพื่อให้บรรลุมรรคผลนิพพานเพื่อให้รู้รู้แจ้งเห็นจริงว่าอะไรถูกอะไรผิดอ ะ, อะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษแล้วเพื่อรู้แล้วจะได้มาสั่งสอนญาติโยมญาติโยมก็มีหน้าที่มาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมแล้วก็มาสนทนาธรรม ถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจก็ต้องถามถามไม่เข้าใจนี่เกงใจนี่พระเทศเทศไปชั่วโมงนี่ฟังไม่รู้เรื่องก็ไม่กล้าถามเกรกลัวจะหาว่าโง่ฟังมาแล้วไม่เข้าใจเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นาศาสนาโง่ไปทุกวันนี้าศาสนาเลยกลายเป็นเป็นเรื่องพิธีกรรมไปหมดมีแต่พิธีกรรม ทั้งๆ ท, ที่เดิมทีศาสนานี่มีแต่เรื่องสั่งสอนเรื่องศึกษาเรื่องปฏิบัติเออกลายเป็นพิธีกรรมไปหมดทำพิธีกรรมไปทำมันเสร็จๆไปแต่พระสวดก็ไม่รู้ว่าสวดอะไรคนฟังก็ไม่ฟังไม่รู้เรื่อง <S 2> <S 2> <S 2> antes, ก็มักจะไม่ฟังกันญาติโยมที่ ไม่เคยมาที่นี่เคยไปที่วัดอื่นพอมาฟังธรรมจะทําเหมือนที่วัดอื่นก็ก็ก็จะมาทําให้อทําลายอาการฟังธรรมของที่นี่เพราะที่นี่เวลาฟังธรรมทุกคนต้องไม่คุยกันอต้องนั่งนิ่งๆตั้งใจฟังมาเรียนหนังสือ ญาติยาโยมเคยไปที่วัดต่างๆเวลาพระสวดพระเทศก็นั่งคุยกันเอพระก็เทศไปญาติโยมก็คุยกันไปเพราะญาติโยมฟังภาษาพระก็ไม่รู้เรื่องมีแต่บาลีเต็มไปหมดมีแต่ราชาศัพท์เต็มไปหมดก็เลยคิดว่าพระไม่ได้เทศให้เราฟังคิดว่าเทศให้ผีเทศให้คนตายฟังเอเวลาก่อนพระจะเทศยังต้องไปเคาะโลงเนเนี่ย เนี่ยคิดดูมันโง่ขนาดไหนคนตายแล้วยังไปเคาะลงให้เข้ามาฟังเทศฟังธรรมไม่ใช่เนี่ยเป็นงานเข้าใจผิดญาติโยมที่ไปงานก็ไม่ได้คิดว่าลาเทศให้ญาติโยมฟังคิดว่าเทศให้คนตายฟังญาติโยมก็เลยไม่ฟังญาติโยมก็เลยนั่งคุยกัน รอให้เวลาพระเทศเอวังจบสาธุกันเนี <laughs> <laughs> ย่ยมันเป็นปัญหาคนไทยเราเลยไม่รู้จักธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเรากระทำอะไรกันปฏิบัติอะไรกันรู้แต่เพียงแต่ว่าทำบุญอย่างเดียวทำบุญนิมนต์พระให้พระสวด อยากได้อะไรมีปัญหาอะไรอ่าก็ไปหาพระทําบุญกับพระหน่อยให้พระปะพรมน้ำมนต์สวดคาถาสองสามคาถาแล้วก็ใช้ได้ออันนี้ไม่ใช่คําสอนของพระพุทธเจ้าเลยพระพุทธเจ้าสอนว่าออ่าปัญหาอยู่ที่ตัวเราเราเป็นคนสร้างปัญหาเองอแล้วเราต้องเป็นคนแก้ปัญหาเองอืม ปัญหาคือความไม่สบายใจของพวกเราเนี่ยเกิดจากตันหากิเลสตันหาของพวกเราเองอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอไม่ได้พอไม่เป็นก็ไม่สบายใจขึ้นมามก็ง่ายนิดเดียวถ้ารู้ว่าเหตุที่เราไม่สบายใจเพราะเราอยากได้แล้วไม่ได้ ก็อย่าไปอยากมันสยมันก็หมดเรื่องก็เปลี่ยนใจไม่เอาก็ได้ว่าอยากได้แล้วก็ไม่ได้ก็ไม่เอาอยากให้แฟนทำอย่างนี้แฟนไม่ทำไม่ทำก่อนแล้วไปเปลี่ยนใจใช่ไับไม่ยอมกลับไปโกรธแฟนกลับไปหาเรื่องกับแฟนกลับไปด่าแฟนอีกแฟนอยู่ดีๆไม่รู้อีอ่วโอ้ยเน่ก็เลยโดนดา่าโดยไม่มีเหตุไม่ผลเขาก็โกรธขึ้นมาเขาก็ด่ากลับทนนี้ ด ก, กลับไปเขากร้วก็ตีเขาบอกไปตีเขาเขาก็ตีเรากลับ น, น, นี่แหละมันปัญหาของพวกเราอยู่ที่เราไม่รู้จักทำใจกันไม่ยอมรับความจริงบางทีเราก็ได้บางทีก็ไม่ได้ไม่ได้ก็ยอมรับว่าไม่ได้ก็จบขอเขาแล้วเขาไม่ให้ก็จบ ก, กลับไปโกรธไปอาฆาตพยาบาทเขากลับไปทุบตีเขาไป ทำให้เขาเจ็บขึ้นมาอีกพอไปทำร้ายเขาเขาเจ็บเขาก็ต้องกลับมาทาร้ายเราเนี่ย <Yeah. S 1> คือเราไม่รู้จักว่าปัญหาอยู่ที่ตัวเราและวิธีแก้ปัญหาก็อยู่ที่ตัวเรา <Yeah. S 1> เราไม่ไปแก้ที่คนอื่นคนอื่นไม่เกี่ยวกับเรา <Yeah. S 1> เราไปยุ่งกับเขาเองอยู่ดีๆก็ไปขอของจากเขาพอเขาไม่ให้ก็ไปโกรธเขาไม่เกลียดเขา <Yeah. S 1> แล้วก็ไปทาร้ายเขา อันนี้พอไปทำร้ายเขาเขาก็กลับมาทำร้ายเราเราต้องโทษตัวเราเองว่าเราไม่ดีเองอยู่ดีๆเราไปยุ่งกับเขาทาไมอยู่ดีๆไปข อ, ขอของจากเขาทาไมถ้มาขอเขาไม่ให้ก็กจบเเขาไม่ให้แล้วทำไมกลับไปโกรธเขาเอีกกลับไปหาวิธีทำให้เราหายโกรธด้วยการไปทำร้ายเขาเอย่างี้ มันไม่ได้ทำให้เราหายโกรธนะพอเราไปทำร้ายเขาเขาก็โกรธเราเขากลับมาทำร้ายเราทำไปทำมาเดี๋ยวว่าฆ่ากันตายปัญหาอยู่แค่ตรงนี้อยู่ที่ความอยากของเราพออยากอะไรไม่ได้ดังใจอยากก็โกรธเสียใจน้อยใจถ้าทำเขาไม่ได้ก็ทำตัวเองบางคนทุกทำร้ายเขาไม่ได้ก็มาทำร้ายตัวเองทุบเข้าของของตัวเอง ไม่เช่นั้นก็ฆ่าตัวตายก็มีน้อยใจก็เลยฆ่าตัวตายประชดเขาไปประชดใครใครก็ไปเสียใจกับการฆ่าตัวตายของเราใครไปรเจ็บแทนเราเรามันโง่เองไม่รู้จักวิธีแก้ปัญหาคือความเสียใจความไม่สบายใจว่ามันเกิดจากความอยากของเราท่านั้นแหละ เมื่อเราอยากล้าไม่ได้เสียใจก็หยุดอยากเสียไหมความเสียใจก็หายไปกลับไปตอนก่อนที่เราไม่มีความอยากเลยตอนตอนที่เราไม่มีความอยากเราเสียใจัหยไม่เสียใจแล้วโกรธใครไหมไม่โกรธใครเราก็กลับไปตรงจุดนั้นสิกลับไปตรงจุดที่ตอนที่เราไม่มีความอยาก ank, เมื่ออยากแล้วไม่ได้ดังใจอยากกา็ย้อนกลับไปเปลี่ยนเเปลี่ยนใจ ใ, ใหม่ไม่เอาก็ได้วะ ข อ, ข, ออขอแล้วไม่ให้ก็ไม่เอากันแล้วไปเออแต่เท่านี้ก็จบมันไม่ยอมจบกลับไปว่าเขาว่าไม่เมตตาหาว่าเขาอะไรต่างๆนานาในราคุณบ้างอะไรบ้างเอยิงอยู่เขาเราอาจจะมีบุญคุณกับเขาแล้วเราไปขอให้เขาช่วยเหลือเขาไม่ช่วยเราก็อาจจะเป็นการในระคุณแต่เราก็ไปห้ามเขาไม่ได้เขาจะไม่ตอบแทนบุญคุณเรามันเราไปสั่งเขาไม่ได้ของพวกนี้เออออื นี่คือเรื่องของปัญหาพวกเราไม่ไม่ได้มาสนใจศึกษากันฟังเทศฟังธรรมกันแล้วนำเอาไปปฏิบัติกันอย่างจริงจังแล้วนำเอาไปปฏิบัติกันอย่างจริงจังแล้วรับรองนะพวกเรานี้จะมีแต่ความสุขมีแต่ความสบายใจจะไม่มีความทุกข์ไม่มีความวุ่นวายใจเดือดร้อนอย่างที่เรามีกันอยู่ในทุกวันนี้ ธรรมะของพระอาจารย์นี่วิเศษมากวิเศษอย่างที่จะนับคุณค่าไม่ได้เพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะทำให้เราหายเครียดหายทุกข์ที่จะทำให้เราสบายอกสบายใจได้ตลอดเวลามีธรรมะของพระอาจารยเท่านั้นต่อให้เป็นมหาเศรษฐีก็ยังเครียดอยู่ใช่ไหะ เรยกันนเรื่องนั้นเรื่องนี้เหมือนกับไม่เหมือนกับคนธรรมดาเครียดเพราะมหาเศรษฐีก็มีความอยากอาจจะไม่อยากได้เงินเงินเหลือเฟือแล้วเพราะก็อยากเรื่องอื่นอยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นอยากให้สิ่งนี้เป็นอย่างนี้อยากให้คนนั้นทำอย่างนั้นคนให้คนนั้นทำอย่างนี้พอไม่ได้ดังใจอยากก็โกรธขึ้นมาเครียดขึ้นมาเพราะว่าเงินทอง ของสิ่งต่างๆทั้งหลายที่มีค่ามาหาศาลมากน้อยเพียงไรไม่สามารถมากาจัดความไม่สบายใจของพวกเราได้เพราะว่ามันไมเ่เราไม่รู้ว่าความไม่สบายใจของเราเกิดจากอะไรตอนต้อเราอา จ, จะเกิดคิดว่าเกิดจากการที่เราขาดาขาดขาดของจำเป็นนี้เงินทองก็พอจะช่วยกาจัดได้ กาดปัดจจัยสี่ขาดอาหารขาดเสื้อผ้าขาดที่อยู่อาศัยเงินทองก็ช่วยได้แต่มันก็ช่วยได้แต่ทางร่างกายเท่านั้นเองพอมีครบปัจจัยสีความไม่สบายใจมันก็ยังโผล่ขึ้นมาอยู่ต่อให้มีบ้านกี่หลังต่อให้มีเสื้อผ้ากี่ตู้มันความไม่สบายใจมันก็ยังโผล่ขึ้นมาอยู่นั่นแหละเพราะว่าเงินทองเข้าของมันก็ช่วยได้เพียงแต่ร่างกาย เพื่อรักษาให้ร่างกายอยู่อย่างสุขสบายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่อดอยากขาดแคลนแต่ใจก็ยังเป็นเหมือนตอนที่เป็นคนยากจนคนขอทานอยู่มันก็ยังไม่สบายใจอยู่เหมือ น, นมีมากมีน้อยมันก็เหมือนกันเพราะว่ามันไม่ได้มาแก้ปัญหาของตัวที่ทำให้เราไม่สบายใจกัน ตัวที่มาทำให้พวกเราไม่สบายใจกันวุ่นวายใจกันเดือดเนื้อร้อนใจกันก็คือความอยากของเรานี่เองและสิ่งที่จะมากาจัดตัวนี้ได้ก็คือธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเราต้องศึกษาคำสอนแล้วก็ศึกษาว่าจะทำยังไงเราถึงจะแก้ปัญหาตัวนี้ได้ขั้นตอนเราก็ต้องรู้ว่าปัญหาของเรานี้อยู่ที่ความอยาก ปัญหาทางใจเนะี่ยไม่ใช่ทางร่างกายปัญหาทางร่างกายก็อยู่ที่ปัจจัยสี่ก็ต้องมีกันต้องมีที่อยู่มีอาหารมีเสื้อผ้ามียารักษาโรคพอมีแล้วปัญหาทางร่างกายก็หมดไปปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อไปก็ถือว่าเป็นปัญหาใจถึงแม้จะเกี่ยวกับเสื้อผ้าก็เหมือนกันก็เป็นปัญหาใจเพราะว่า เสื้อผ้ามีอยู่แล้วแต่อยากจะมีมากกว่านี้พอไปเดินตามร้าน<_ <EN> _>เห็นเสื้อผ้าสวยๆก็อยากจะได้แต่เงินไม่มีซื้ออย่างนี้นก็เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาแล้ว<_ <EN> _>อันนี้เป็นปัญหาใจแล้ว<_ <EN> _>ไม่ใช่เป็นปัญหาทางร่างกายร่างกายไม่เดือดร้อนเขาก็มีเสื้อผ้าเขาใส่อยู่เหมือนเดิมแต่ใจอยากจะเปลี่ยนชุดนใส่ชุดนี้แล้วเบื่ออยากจะเปลี่ยนชุดใหม่ เห็นชุดที่เขาแขวนอยู่ในร้านดูแล้วแหมมันสวยถ้ามาใส่กับเราเราคงจะสวยขึ้นกว่าเดิมเออก็เลาอยากขึ้นมาพออยากขึ้นมาถ้าเงินไม่พอซื้อก็เสียใจซื้อไม่ได้หรือถ้าไม่พอซื้อก็ยอมซื้อยอมเป็นหนี้ไปก่อนอมีบัตรลูดก็รูดไปก่อนแล้ว เ, เดี๋ยวก็มาวุ่นวายตอนที่เขาส่งบินมาเก็บเงินต่อไปอมันหนีไม่พ้นหรอก ปัญหาถ้าไปทำตามความอยากมันจะมาก่อนมาหลังเท่านั้นเองสู้มาก่อนดีกว่ายอมยอมเสียใจแล้วก็หักห้ามใจเสปัญหาเรื่องที่ต้องไปใช้นี่ทีหลังก็จะไม่ต้องมีแต่ถ้าไม่ยอมทำใจยอมเป็นนี่รูดบัตรไปก่อนเดี๋ยวถึงเวลาเขาส่งบินมาเก็บเนี่ยทีนี้ก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาแล้ว นี่คือปัญหาทางใจปัญหาที่เกิดทำให้เราไม่สบายใจกันวุ่นวายใจกินไม่ได้นอนไม่หลับ ก, กันนี้อยู่ที่ความอยากนี้เท่านั้นแหละแต่มันอยากหลายเรื่องด้วยกันออทุกวันนี้ที่เราไม่สบายใจลองไปค้นหาดูสิมันเกิดจากความอยากออบางคนก็ไม่สบายใจเพราะเป็นโรคภัยไข้เจ็บออรักษาเท่าไหร่ก็รักษาไม่หายออก็ไม่สบายใจเพราะอยากหาย ถ้าไม่อยากหายมันก็เฉยๆไม่รักษาไม่หายก็อยู่กับมันไปมันเจ็บก็ต้องเจ็บจะทำยังไงได้เมื่อมันไม่หายถ้าไปอยากให้มันหายมันก็ยิ่งวุ่นวายใจขึ้นมาใหญ่แต่ถ้ายอมรับว่าเมื่อรักษาไม่ได้ก็อยู่กับมันไปอยากไปอยากให้มันหายพออยากอะไรปั๊บพอไม่ได้นังใจอยากมันก็จะทาให้เราวุ่นวายใจ กินไม่ได้นอนไม่หลับเครียดเี่ยวันนี้ก็ได้ข่าวมีแม่คนหนึ่งก็มาวุ่นวายกับลูกลูกชายโตแล้วเรียนจบแล้วได้รับปริญญาแล้วทํางานแล้วเอแต่ชอบเที่ยวชอบกินเหล้าเมายาเอกลับมาบ้านเมาทุกคืนเออแม่ก็กลัวแล้วสิทุกข์แล้วสิทุกข์ ก, กับลูก ไม่ได้ทุกกับตัวเองเลยตัวเองสบายร่างกายสบายแต่ไปทุกข์กับคนอื่นเพราะกลัวไม่อยากให้เขาจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยไม่อยากให้เขาจะต้องตกงานตกการถ้ากินเหล้าเมาเรื่อยๆต่อไปก็ไปทำงานไม่ได้แล้วก็มาเดือดร้อนที่แม่แม่ก็ต้องมาเลี้ยงมา บ้านช่องก็ไม่ยอมย้ายออกอยู่กับอยู่ที่บ้านไม่ต้องเสียค่าเช่าไม่ต้องเสียค่าอาหารอยู่ฟรีกินฟรีวันวันตอนนี้ก็ตกงานตกงานก็ไม่ไปหางานมีเงินที่หามาได้ก็เก็บไว้สำหรับไปเที่ยวไม่ได้มาจ่ายค่าเช่าบ้านไม่ได้มาจ่ายค่าอาหารไม่มีการรับผิดชอบแม่กเครียด นี่แหละแต่ถ้าแม่ใจเด็ดต้นหน่อยก็บอกว่าไปได้แล้วโตแล้วไปหาที่อยู่เองไปหางานทำมาเองจะไปกินเหล้าเมายาที่ไหนก็ไปกินเมื่อสอนเมื่อบอกแล้วไม่เชื่อไม่ฟังจะอยู่ได้ยังไงถ้าจะอยู่ที่นี่ก็ต้องเลิกกินเหล้าสิต้องเชื่อฟังก็ทำไม่ได้ทำไม่ได้ก็เลยเครียด แต่ถ้ามายอมรับว่ามันเป็นอย่างนี้เป็นกรรมของมันอมันจะต้องไปกินเหล้าเมายามันจะตกงานมันจะไปเป็นอะไรก็เรื่องของมันเอราก็ส่งเสียมันทุกอย่างแล้วส่งมันไปโรงเรียนให้มันจบเรียนจบมีงานทําแล้วนี่มันจะทําตัวเองแบบเทะเอะก็ช่วยไม่ได้แล้นะแต่ก็ทุกเพราะอยากให้มันเออ ดีอยากให้มันไม่เป็นอย่างนี้ก็เหมือนอยากให้กล้วยเป็นส้มอย่างนี้มีกล้วยแต่อยากให้มันเป็นส้มลองไปลองลองไปอยากดูสิมันจะทุกข์ไม่ทุกข์อยากยังไงมันก็ไม่เป็นส้มหรอกถ้ามันเป็นกล้วยมันก็ต้องเป็นกล้วยคนเราถ้ามันจะเมามันก็ต้องเมาคนมันอมันจะไม่ดีมันก็ไม่ดี เราบอกเราแล้วเราสอนเขาแล้วเราสอนวิธีเป็นคนดีเป็นยังไงแล้วส่งให้เขาไปเรียนหนังสื อ, อมีความรู้ที่จะรักษาตัวเขาเองได้แล้วแต่ถ้าเขาไม่รู้จักรักษาตัวเขาเองหรือไม่ยักษาตัวเขาเอง เ, อเพราะถูกอำนาจฝ่ายต่ำในจิตใจเขาฉุดลากไปก็ช่วยไม่ได้ ถ้าปล่อยให้เขาอยู่ที่บ้านก็ยิ่งสนับสนุนเขาก็ต้องให้เขาออกไปให้เขาไปเอลบากไปหาไปช่วยตัวเขาเอง <Yeah. S 1> อาจจะทำให้เขาเลิกก็ได้ <Yeah. S 1> ถ้าไม่เลิกก็ช่วยไม่ได้ mm. เพราะนี่คือนิสัยกันเดิมของเขาเป็นอย่างนี้ mm. เราไปอยากแล้วมันไม่ได้ดังใจอยากเราก็จะเครียด mm. เราก็จะทุกข์ เนี่ยเราทุก์เราเครียดกับเรื่องเรื่องต่างๆนานาก็พอความอยากทั้งนั้นะเรื่องของเราเราก็เครียดเรื่องของร่างกายเราก็เครียดร่างกายเราก็ไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยไม่อยากให้มันตาย <ๆ S 1> พอไปเจออะไรที่จะทำให้อาจจะตายได้ก็เครียดขึ้นมาเป็นโรคไปหาห ม, หมอหมอบอกเป็นมะเร็งขึ้นมานีก็เครียดขึ้นมาแเอะ ซึ่งถ้ามาเรียนหนังสือมาเรียนธรรมะแล้วจะไม่เครียดเป็นอะไรก็ไม่เครียดทําไมไม่เครียดก็เพราะว่าเรารู้ว่าความเครียดเกิดก็ดจากความอยากของเราอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายมันทําให้เราเครียดเหตั้นถ้าเราหยุดความอยากนี้เสียมันจะแก่ก็ต้องยอมรับมันห้ามมันไม่ได้ใครห้ามความแก่ได้ ขายห้ามความเจ็บไข้ได้ป่วยได้ใครห้ามโรคมะเร็งได้ใครห้ามโรคหัวใจได้โรคเบาหวานโรคอะไรบางอย่างห้ามได้แต่ก็ไม่มีกำลังห้ามเนี่ยโรคเบาหวานนี่ห้ามได้แต่ไม่มีกำลังห้ามชอบกินของห ว, วานหวานหมอบอกให้หยุดกินหยุดไม่ได้เนี่ยของของที่ห้ามได้ก็ยังทำไม่ได้ ส่วนในของที่ห้ามไม่ได้ยิ่งไปอยากให้มันยิ่งไปอยากห้ามมันมันยิ่งไม่ได้อย่างความแก่เนี่ยห้ามยังไงมันก็ห้ามไม่ได้เอโรคภัยไข้เจ็บที่ที่เราห้ามไม่ได้มันก็ห้ามไม่ได้มันจะเป็นมันก็ต้องเป็นอโรคที่เกิดจากการเสื่อมของร่างกายเนี่ยหัวใจมันก็เสื่อมไปบอดก็เสือเส่อมไปตับไตก็เสื่อมไปเอ อันนี้เราห้ามเป็นไม่ได้แลห้ามความเสื่อมไม่ได้นะของบางอย่างห้ามได้เราก็ยังไม่มีกำลังห้ามเลยอันนี้เป็นเพราะว่าเราไม่รู้จักวิธีสร้างกำลังใจของเราขึ้นมาพระพุทธเจ้ารู้จักวิธีสร้างกำลังใจที่จะทำให้เรานี้สามารถห้ามความอยากของเราได้ห้ามความอยากที่สร้างความเครียด สร้างความวุ่นวายใจของเหล่านี้ให้มันหายไปได้หยุดมันได้พอหยุดมาแล้วมันความเครียดต่างๆก็จะหายไปความแก่ก็แก่แก่ก็แก่ไปแต่ใจไม่ต้องเครียดกับความแก่ได้เวลาเกิดโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่ต้องเครียดกับมันได้มันเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็อยู่กับมันไป ไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องหายพระพุทธเจ้าบอกเรามีโรคอยู่สามชนิดด้วยกันโรคชนิดที่หนึ่งคือเป็นแล้วหายเองบางทีปวดตรงนั้นปวดตรงนี้เจ็บตรงนั้นเจ็บตรงนี้เป็นวันสองวันเดี๋ยวมันก็หายไปหรือเป็นโรคไข้หวัดนี้ไม่ต้องกินยามันก็หายเองได้สี่ห้าวันมันก็หายโรคชนิดที่หนึ่งเป็นแล้วหายได้ เองเป็นแล้วเป็นแล้วก็หายโรคชนิดที่สองเป็นแล้วถ้าไม่กินยาไม่หายต้องหายามากินถึงจะหาย<ม>ถ้าไม่มียากินก็ต้องเป็นไปเรื่อย<ม>โรคชนิดที่สามก็คือรักษาก็ไม่หายไม่รักษาก็ไม่หาย ม, มีแต่หายโดยเวลาเดียวเท่านั้นก็คือเวลาตายเวลาตายแล้วหายหมดไม่ว่าโรคชนิดไหนมันกลัวความตายที่สุดแต่เรา เรากลับไปกลัวความตายแทนมันทำไมโครคภัยไค่เจ็บนี่แหละมันกลัวความตายกันเราไม่ควรจะไปกลัวความตายเพราะความตายมาช่วยรักษาโาครคภัยไค้เจ็บให้กับเราใช่ไหมพอคนตายนี่หมอก็ไม่ต้องรักษาอยู่ในโรงพยบาบาลเสียเงินกี่แสนกี่ล้านก็ไม่ต้องเสียแล้วพอไม่หายใจเท่านั้นก็จบโรคภัยหายหมดหมอไม่ต้องเสีย พี่ญาติพี่น้องก็ไม่ต้องเสียเงินทองรักษาเนี่ยความตายมันมีประโยชน์ตรงนี้แต่เรามองไม่เห็นกันเรากลับไปกลัวความตายความตายนี่แหละจะมาช่วยรักษาโรคที่ไม่หายให้มันหายโรคที่ยาทั้งหลายในโลกนี้ที่หมอทั้งหลายในโลกนี้รักษาไม่หายนี่ความตายจะช่วยรักษาให้เราให้หายหมดเลยไม่ว่าโรคโรคมะเร็งโรค หัวใจโรคอะไรต่างๆนี่หมอเก่งขนาดไหนวิเศษขนาดไห น, ไหนรักษาไม่ได้เนี่ยพอให้หมอตายมารักษาเนี่ยหายหมดหมอตายบอกว่าอย่าหายใจหยุดหายใจหยุดหายใจแล้วโรคหายหมดเนี่ยนี่คือเรื่องของธรรมะพระพุทธเจ้าสอนความจริง สอนความจริงเกี่ยวกับความเครียดของพวกเราความวุ่นวายใจความไม่สบายใจของพวกเรานี่เป็นโรคชนิดหนึ่งที่เราสามารถรักษาให้หายได้พวกเราเป็นโรคจิตกันทุกคนเนี่ยที่เรามาหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะท่านเป็นหมอจิตแพทย์ท่านเป็นผู้รู้จักวิธีรักษาโรคจิตของพวกเราอาการของโรคจิตก็คือเนี่ยเครียด กินไม่ได้นอนไม่หลับวุ่นวายใจพุงซ่านเอว้าเหวเศ้าสร้อยหงอยเงาซึมเศร้านี่คืออาการของโรคจิตที่ไม่มีใครสามารถรักษาให้หายขาดได้มีแต่พระพุทธเจ้าพระธรรมหรือพระสงฆ์เท่านั้นฮที่จะสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บทางจิตใจให้หายขาดได้ พอพระพุทธเจ้าได้พิสูจน์มาแล้วได้รักษามาแล้วรักษาใจของพระพุทธเจ้ามาก่อนนีพระพุทธเจ้านี้ไม่ไปรักษาใจของไข่ก่อนท่านต้องรักษาใจของท่านให้หายก่อนพอรู้จักวิธีรักษาและใจของท่านหายแล้วท่านจึงไปรักษาใจของคนอื่นเหมือนหมอสมัยนี้เขาก็ต้องศึกษาวิธีรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ก่อนเมื่อรักษาเมื่อเขาศึกษาแล้วเขาก็ไปลองรักษาดูอเราก็รักษาหายแล้วก็รู้ว่านี่คือวิธีรักษาโรคของร่างกายเขาจึงไปเป็นหมอกันได้พระพุทธเจ้าก็เหมือนกันก่อนที่จะไปเป็นเป็นหมอจิตแพทย์มารักษาโรคจิตของพวกเราพระพุทธเจ้าก็ต้องศึกษาวิธีรักษาโรคจิตของท่านก่อนะท่านก็เครียดเหมือนเราทุกข์เหมือนเราวุ่นวายใจเหมือนเรากินไม่ได้นอนไม่หลับเหมือนเรา ฟุง้งซานวาเวเศร้าส้อยง้ห้เหงาอาการต่างๆนี้มีในใจของพระพุทธเจ้ามาก่อนพระพุทธเจ้าก็เลยไปศึกษาไปศึกษาจากอาจารย์รูปอื่นอาจารย์บางรูปอื่นก็สอนได้แต่สอนแบบรักษา ห, หายขาดไม่ได้รักษาได้ชั่วครั้งชั่วคราวให้มันหายเป็นพักๆไปแต่มันไม่หายขาด พระพุทธเจ้าอยากจะให้มันหายขาดก็เลยต้องไปศึกษาเองศึกษาไปศึกษามาก็เจอว่าตัวที่ทำให้ใจเครียดใจวุ่นวายก็คือความอยากนี่เองความอยากอยากหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็เลยทำให้เราต้องมาเกิดกันมามีร่างกายกันพอมีร่างกายเราก็อยากจะให้ร่างกายมันแข็งแรงสมบูรณ สามารถทําตามความอยากต่างๆที่เราต้องการได้อยากดูก็ดูได้อยากฟังก็ฟังได้แต่พอร่างกายเป็นอะไรขึ้นมาเราก็วุ่นวายไปกับมันเพราะมันจะทําให้เราไม่สามารถทําตามความอยากเราได้เราก็เลยไปเครียดกับความไม่สบายของร่างกายเวลาร่างกายไม่สบายทีนึงก็ใจก็ไม่สบายไปกับมันด้วย เพราะเราไม่รู้ว่าร่างกายมันเป็นอย่างนี้ก่อนที่เราจะไปหาร่างกายเราไม่รู้ว่าถ้าได้ร่างกายแล้วมันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันถ้าเรารู้เราจะได้ไม่เอาดีกว่าเอาของที่จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเอามาทำไมเป็นแต่ความทุกข์แต่พวกเราไม่มีใครสอนไม่มีใครบอกไม่มีใครบอกว่าอย่าไปเกิดนะอย่าไปมีร่างกาย พอร่างกายนี้พอได้มันแล้วเดี๋ยวมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วเราอยากจะให้ร่างกายมันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราก็จะทุกข์ทำไมเราไม่อยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะเราอยากจะใช้มันไงอยากจะใช้มันพาเราไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายพอร่างกายมันไม่สบายก็พาเราไปไม่ได้ พาเราไปเที่ยวไม่ได้พาเราไปดูหนังฟังเพลงไม่ได้พาเราไปทำอะไรต่างๆที่ให้ความสุขกับเราไม่ได้เราก็เลยวุ่นวายกับความไม่สบายของร่างกายวุ่นวายกับความแก่ของร่างกายพระพุทธเจ้าบอกถ้าไม่อยากจะวุ่นวายก็มาหยุดความอยากใช้ร่างกายหยุดหาความสุขผ่านทางร่างกายด้วยการมาหาความสุข จากใจโดยตรงใจนี้สามารถมีความสุขได้โดยไม่ต้องผ่านร่างกายมาฝึกสมาธิมานั่งสมาธิมาทำใจให้สงบเวลาถ้าเราควบคุมใจให้สงบแล้วใจเราจะเกิดความสุขขึ้นมาแล้วความอยากต่างๆก็จะยุติไปชั่วคราวเวลาใจมีความสุขใจสงบมันก็ มันก็ไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรแต่ถ้าความสุขถ้าความสงบหายไปแม่หลายความอยากก็จะโผล่ขึ้นมาความอยากมันก็จะทําให้เราวุ่นวายใจใหม่ถ้าอยากจะให้ความอยากหายไปก็ต้องอย่าไปทําตามความอยากเพราะการทําตามความอยากนี่เป็นการเลี้ยงความอยากให้มันจเจริญเติบโต ถ้าอยากจะให้ความอยากมันเฉามันเหี่ยวมันดับไปก็คืออย่าไปเลี้ยงมันอย่าไปทําตามความอยากมันอยากได้อะไรก็อย่าไปหาให้มันมันอยากให้ทําอะไรก็อย่าไปทําให้มันเดี๋ยวมันก็ความอยากมันก็หายไปคนอยากเลิกคนอยากเลิกบุหรี่ก็ต้องอย่าสูบบุหรี่เวลาอยากสูบบุหรี่ก็อย่าไปสูบ ทุกครั้งที่อยากสูบบุหรี่แล้วไม่สูบเดี๋ยวความอยากสูบบุหรี่มันก็หายไปคนอยากจะดื่มโุราก็เหมือนกันอยากจะดื่มสุราก็อยากไปดื่มเดี๋ยวมันก็หายไปคนที่อยากกินของหวานหวานอยากจะเลิกเบาหวานก็อยากไปกินของหวานมันอยากกินก็อยากไปกินให้มันกินของจืดๆกินไปเรื่อยๆเดี๋ยวต่อไปความอยากกินของหวานมันก็หายไป เดี๋ยวมันจะชินกับการกินของจืดต่อไปมันอยากจะกินแต่ของจืดๆเพราะว่ามันเป็นนิสัยทำอะไรแล้วเดี๋ยวมันเป็นนิสัยที่ชอบกินของหวานเพราะมันเป็นนิสัยกินจนติดเป็นนิสัยพอจะเลิกมันก็เลยเลิกยากแต่ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่สุดวิสัยเลิกได้แต่ต้องอดทนคนที่จะเลิกความอยากต่างๆได้ต้องรู้จักนั่งสมาธิ เาถ้านั่งสมาธิได้ใจจะมีกำลังสู้กับความอยากใจจะไม่ทุกข์กับความอยากเพราะใจจะสามารถอยู่ในความสงบได้พอใจอยู่ในความสงบใจก็ไม่ทุกข์ใจจะมีความสุขนี่คือวิธีรักษาใจของพวกเราให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข ไม่ให้เครียดกับเรื่องราวต่างๆไม่ให้ทุกข์ไม่ให้วุ่นวายใจไปกับเรื่องราวต่างๆนี่แหละคือาศาสนาพุทธาศาสนาพุทธก็คือการมาศึกษาวิธีดูแลรักษาใจของพวกเราที่ตอนนี้เป็นโรคจิตกันที่วุ่นวายที่เครียดกันต่อให้มีมากมีน้อยต่อให้เป็นใหญ่เป็นโตหรือไม่เป็นใหญ่เป็นโตก็เครียดเหมือนกัน มีความทุกข์มีความมุ่นหมายใจเหมือนกันจะรวยจะจนเหมือนกันจะใหญ่จะเล็กเหมือนกันจะสวยไม่สวยเหมือนกันจะหลอ่อไม่หล่อเหมือนกันมันปัญหาใจนี้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอะไรเลยขึ้นอยู่กับความอยากเท่านั้นเองถ้าสามารถทำลายความอยากได้ความเครียดความทุกข์ความมุ่นวายใจต่างๆก็จะไม่มี นี่คือคําสอนของพระพุทธเจ้าอที่พระเจ้าได้ทรงปฏิบัติมาก่อนได้ส่งรักษาใจของพระองค์มาก่อนจนใจของพระองค์นี้ไม่มีความทุกข์อยู่ในใจเลยตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่ตื่นจนหลับนี้ใจของพระพุทธเจ้าไม่ทุกข์กับอะไรเลยเพราะตัวที่สร้างความทุกข์มันไม่มีคือความอยาก ไม่มีความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่มีความอยากให้ร่างกายของคนอื่นไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายถึงแม้จะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นภรรยาเป็นลูกแต่ใจของพระเจ้านี้ไม่มีความอยากให้เขาร่างกายของพ่อของแม่ของลูกของภรรยาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพราะรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้เหมือนอยรู้ว่าไปทาให้กล้วยมันเป็นส้มเป็นส้มไม่ได้ ไปอยากให้มันเป็นส้มมันก็ไม่เป็นอยู่ดีเอไปอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็แก่เจ็บตายอยู่ดีแล้วเวลาอยากแล้วใครเดือดร้อน่ะก็คนอยากเองนั่นแหละพอพอใจอยากให้ไม่แก่พอมันแก่ก็วุ่นวายขึ้นมาพออยากให้มันไม่เจ็บไข้ได้ป่วยพอมันเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาก็วุ่นวายขึ้นมาพอ อยากให้มันไม่ตายพอมันจะตายขึ้นมาก็วุ่นวายใจกันขึ้นมาก็ต้องมาหยุดความอยากจะหยุดความอยากได้ก็ต้องสร้างกำลังใจขึ้นมากำลังใจก็คือสมาธิเนี่ยนั่งสมาธิควบคุมความคิดควบคุมความคิดได้ก็จะควบคุมความอยากได้หยุดความคิดได้ก็จะหยุดความอยากได้ตัวที่จะหยุดความคิดได้ก็คือสติเนี่ย ต้องฝึกสติต้องสร้างสติสติก็คือให้พุทบริกรรมพุทโธพุทโธไปถ้าเราบริกรรมพุทโธพุทโธมันก็จะไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้มันก็ต้องคิดอยู่แต่พุทโธพุทโธพุทโธไปอยู่เรื่อยหัดมาหัดพุทโธกันใหม่ๆนี้ถ้าไม่เคยทํามันจะไม่ยอมพุทโธพุทโธได้สองคำมันไปแล้วไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นะก็ดึงมันกลับมาพุทโธใหม่ มันไปคิดก็ดึงมันกลับมาใหม่ถ้าเราไม่ยอมแพ้มันเดี๋ยวมันต้องแพ้เราที่เราที่มันชนะเราก็เพราะว่าเรายอมแพ้มันอยู่แล้วพอพุโทโธได้สองคำไปปั๊บก็ไม่กลับมาหาพุโทโธแล้วไปกับมันต่ อ, อไปจนกว่าน้ำตาตกในถึงจะกลับมาหาพุโทโธกลับมาหาได้ไม่เดี๋ยวเดียวก็ไป อ, อีกวะอ่านี่คือ เรื่องของพุทธศาสนาที่แท้จริงธรรมะเนี่ยคาสอนนี่ต้องเป็นคําสอนที่เราฟังแล้วลเรื่องเข้าใจเพื่อที่เราจะได้นำเอาไปปฏิบัติเพราะว่าการฟังธรรมอย่างเดียวยังไม่พ อ, อยังไม่สามารถรักษาโรคใจของเราได้เหมือนกับการไปหาหมอแล้วหมอแนะนาว่าเอายาไปกินนะกินวันละสามเม็ดก่อนเวลาหลังอาหารหรือ้อ ถ้าเราเอายาไปแล้วไม่ไปกินมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเอเมื่อรับยาแล้วก็ต้องเอาไปกินเขาจะเจ้าบอกไปหยุดความอยากกันนะอยาอยากปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามเรื่องของมันคนนั้นจะเป็นอย่างนั้นจะก็ปล่อยก็เป็นไปเขาจะดีก็ดีไปเขาจะชั่วก็เรื่องของเขาเออเราสอนเขาได้บอกเขาได้ช่วยเขาได้ก็ช่วยไป ถ้าสอนไม่ได้บอกไม่ได้ช่วยเขาไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปแต่เราอย่าไปแบดอย่าไปเครียดกับเขาเออย่าไปอยากออหยุดความอยากแล้วเราจะไม่มีความเครียดเราจะไม่มีความวุ่นวายใจเราจะมีแต่ความสบายใจไปตลอดเนี่ยมันยากตรงเนี้ยยากตรงที่ปฏิบัติยากตรงที่หยุดใจหยุดความอยากของเราเพราะความอยากของเรานี่มัน มีอำนาจครอบงมใจเราเวลาจะสู้กับมันนี่เหมือนกับออนักมวยเพิ่งหัดโชคใหม่ไปขึ้นไปไปสู้กับแชมป์นี่มันสู้ไม่ได้ออแต่ถ้านักมวยที่เพิ่งเริ่มหัดเป็นนักมวยนี่หัดฝึกซ้อมไปเรื่อยๆฝึกซ้อมไปเรื่อยๆเดี๋ยวต่อไปก็เป็นแชมป์ได้นมแชมป์เก่าได้ ให้มาฝึกสติกันขยนพุโทโธกันพุโทโธกันหยุดความคิดกันให้ได้นั่งสมาธิทำใจให้สงบให้ได้พอใจสงบแล้วทีนี้ก็เอาปัญญาของตระเจามาสอนใจว่าต่อไปนี้ต้องไม่ทำตามความอยากถ้าไม่อยากเครียดต้องหยุดความอยากถ้ามีกำลังก็หยุดมันได้ถ้ามีกำลังเข้าสมาธิได้ก็จะหยุดมันได้ต่อไปความอยากมันก็จะแพ้เรา เราก็จะสามารถกําจัดความอยากให้หมดไปพอไม่มีความอยากความทุกข์ความเครียดต่างๆก็จะหายไปหมดเหลือแต่ความสุขความสงบไปตลอดเนี่ยใจของพระเจ้าเป็นอย่างนี้ท่านได้รักษาใจของท่านที่เคยเ ค, ยเครียดเหมือนพวกเราแต่ตอนนี้ใจของพระเจ้าไม่เหมือนพวกเราแล้วใจของพระเจ้ามีแต่ความสงบมีแต่บรมมัสุขเรียกว่านิบานังปรมังสุขขัง นิบานิพานคืออะไรนิพานคือใจที่ปราศจากความอยากนี่เองเรียกว่านิพานเมื่อใจที่ปราศจากความอยากจะมีอะไรก็มีแต่บรลมบสุขเนี mm ่ยทานว่าอย่างนั้นใจของพวกเราต่อไปก็จะเป็นอย่างนี้ได้ถ้าเราเข้าหาธรรมะศึกษาฟังให้เข้าใจเข้าใจแล้วเราก็เอาไปปฏิบัติปฏิบัติแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้รับผลอย่าไป ฟังพระสวดฟังไม่รู้เรื่องเสียเวลาทั้งคนสวดทั้งคนฟังออถ้าจะฟังพระสวดบอกนิมนต์ท่านสวดภาษาไทยได้ไหมออคนฟังจะได้รู้ว่าท่านกำลังสอนอะไรเพราะคําคสวดก็คือคําสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองเออก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาออจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาเลวะหาปุราภิริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอ an ิจิตังปติต um ังตุมหังคิปะเมวะสมมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะราโสยะามณโชตีอาราโสยะาสัพพิติโยวิวาจันโตสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีคายุโกภวา อภพิวาทนสีลิสะนิจังวุธาปจายนโนจตารธรมมวาทานติอายุวันโสอสุขังพาลังกครมาที่หลังอยากจะเอาเข้าของเข้ามาถวายก็ยังเข้ามาได้อยู่เนี่จะยกตัวอย่างว่าพวกเราเวลาฟังพระสวดภาษาบาลีเป็นยังไง ก็ดูไม่ฉี่นี่แกเป็นคนอินโดแกนั่งชั่วโมงหนึ่งนี่กับฟังไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยฟังภาษาไทยไม่เป็น uh huh. ก็เหมือนเราฟังภาษาบาลีฟังพระสวดเนี่ย did you understand what say? No. Uh ่าได้ไ huh. uh huh. uh huh. เข้าใจภาษาบาลีเคยเรียนภาษาบาลีมาแต่ภาษาไทยฟังไม่รู้เรื่องเลยก็เหมือนเวลาที่เราฟังพระสวดภาษาบาลี สวดปาก็ฟังไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจฟังก็ไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้ความรูม้แต่เขาต้องมารลอเพราะเดี๋ยวเขาจะถามปัญหาถามปัญหาภาษาฝรั่งภาษาอังกฤษเนี่ยวันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทาง YouTube เข้ามา420ย <YouTube S 3> อดชมแล้วทัวร์คำทางทาง facebook เข้ามา420ย t u b บ190 วันนี้ทางวิทยุออนไลน์ถ่ายทอดเสียงไม่ได้ครับมีปัญหาแล้วก็รับฟังข้างบนนี้27คนรวมทั้งหมด637ครับโอเคเดี๋ยวมีชาวต่างประเทศชาวอินโดนีเซียเขาอยากจะถามคำถามเดี๋ยวให้เขาถามก่อนนะแ้เาเดี๋ยวท่านภาษาไทยค่อยต่อ อ, อยากจะถามอะไรถามได้เนี่ยใช้ไมโครโฟนนะ พูดใกล้ๆปากนะอ่าเมื่อสิบกว่าปีก่อนนะผมเคยดูเอฟังเอเกี่ยวกับที่ท่านเทศเรื่องเกี่ยวกับรู้สึกว่าเรื่องเกิดของจักรวาลหรออะไรสักอย่างเหรอฮะไม่ทราบว่าจะหาฟังได้ที่ไหนอีกครับไม่รู้เหมือนกันนะเราเคยพูดเรื่องเกิดของจักรวาล น, นะครับ ไม่มีนะมีแต่พระพุทธเจ้าบอกว่ามันหาต้นต้นต่อของการเกิดของจั ก, กรวาลไม่ได้นะทุกอย่างมันมีของมันเป็นของมันอยู่มามีมีเกิดมีดับมีผมเคยเดินผ่านแผงเทปแล้วก็เปิดผมก็หยุดฟัง อ, อาจจะเป็นของคนอื่นนะ้ออ เีงมันอาจจะเหมือนกันแลวอาจจะไปคิดว่าเป็นเราก็ได้อ๋อครับครับคงไม่ใช่เราแล้วเพราะเราไม่รู้เรื่องจั ก, กรวาลครับอ่อมีการ น, นี้ครับโอเค อ, อครับคำถามจากทางเฟซบุ๊กนะครับคุณพนมพรขอโอกาสครับ ถ้าเราซื้อเหล้ามาดองยาให้พ่อกินเพื่อรักษาโรคแก้ปวดเมื่อยโรคเกาถือว่าเราทำผิดสินไหมครับควรทำไหมครับก็กินแล้วเมาเป่าถ้ากินแล้วเมาก็ผิดถ้ากินแล้วไม่เมากินแล้วทำให้โรคหายก็เป็นยาเนี่ยมันก็แล้วแต่ว่าเป็นยาแล้วเป็นเหล้าถ้าเมาเราหายก็ก็ก็แล้วแต่อยากจะ อยากจะได้อยากจะรักษาศีลหรืออยากจะได้สุขภาพก็เลือกเอาบางทีเราก็ต้องเลือกก็ เ, เปลี่ยนยาอย่างอื่นไม่ได้เหรือยาที่ไม่เมาไม่ได้เหรือเมืองนอกเขาไม่มียายายาดองกินที่ทำใหมเขาอยู่กันได้าบบาทำไมเมืองไทยต้องต้องมียาดองเล่าถึงจะอยู่กันได้เหมือนกันแล้วแต่ถ้าเป็นยาก็ไม่เป็นไรถ้ากินแล้วไม่เมา กินแล้วทำให้รักษาโรคภัยไข้เจ็บภายได้แล้วก็คนกินก็ไม่เมาว่าเวลาเมาแล้วมันไม่ดีเมาแล้วกิริยาการไม่ไม่สวยงามแล้วอาจจะไปทำบาปได้ง่ายถึงไม่อยากให้กินเหล้าคำถามจากคุณโอพีกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะมีวิธีสอนสมาธิเด็กหขวบอย่างไรได้บ้างคะ ก็เอาตุ๊กตาให้มันเล่นไงให้มันเล่นให้มันเล่นกับตุ๊กตามันก็มีสมาธิอยู่การเล่นตุ๊กตาแล้วไปสอนสิ่งที่มันยากมันไม่รู้เรื่องอะเด็กมันไม่รู้เรื่องเราไม่อยากให้เด็กมันอร้องไห้เราก็หาตุ๊กตาให้มันเล่นมันก็มีสมาธิกับการเล่นตุ๊กตามันก็สงบไม่ร้องไม่วุ่นวายคําถามจากคุณแวว เรียนถามพระอาจารย์ถ้าอยากถวายผ้าไตรถวายพร้อมอาหารตอนใส่บาทในตอนเช้าได้ไหมเจ้าคะ่ะก็ต้องดูว่าพระรับไหวหรือเปล่าถ้าพระไปเดินบินบบตาบาทองค์เดียวไม่มีลูกศิษย์หรือมีลูกศิษย์ก็คนเดียวแล้วถ้าถวายผ้าไตรด้วยไหนจะต้องเออดหิวอาห์อาหารพระลุงพลังถ้าเขารับไหวก็รับก็ถวายได้ถ้าเขารับไม่ไหวก็อ ก็ไม่ควระมันไม่ใช่เกี่ยวกับว่าผิดหรือถูกมันเกี่ยวกับว่ามันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมสะดวกหรือไม่สะดวกะอืงนั้นก็ต้องดูว่าผู้รับสามารถรับไปได้หรือเปล่าอคําถามจากคุณมี จำเป็นต้องทำงานเพื่อหาเงินเลี้ยงชีพจึงปฏิบัติภาวนาไม่ดีเท่าที่ตั้งใจตอนเช้าจะดีได้นั่งสมาธิพอไปทำงานที่ต้องคิดและพูดทั้งวันตอนเย็นกลับมาเหนื่อยพอพยายามจะพุโทโธจะรู้สึกตึงปวดหัวหรือทำได้ยากมากรู้สึกท้อแท้แต่ยังจำเป็นต้องทำงานจะคิดอย่างไรไม่ให้ทุกข์ หรือปรับปรุงการปฏิบัติภาวนาอย่างไรดีคะก็เปลี่ยนงานซิมามาบินตบาตแทนเนี่ยบินตบาตก็เป็นอาชีพอย่างหนึ่ง อาชีพที่สบายที่สุดไม่เครียดเช้าก็เดินถือบาตรเข้าไปในหมู่บ้านปั๊บเดียวชั่วโมงหนึ่งก็พอกินนะจบแล้งงานสวะมีกินก็หมดปัญหานะทีนี้หลังจากนั้นก็มีเวลานั่งสมาธททิได้ทั้งวันทั้งคืนมีงานดีๆกับไม่ชอบทำกันชอบไปทำงานไม่ดีชอบทำงานที่ยากที่เครียดกันงานที่สบายสบาย งานที่ทำให้เราว่างมีเวลามาปฏิบัติธรรมกันกับไม่ทำกันก็ เ, เปลี่ยนงานเท่านั้นเองแล้วงานนี้ไปสมัครที่ไหนเขาก็รับมไม่มีใครเขาปฏิเสธเนี่ยอยากจะไปบวชวัดไหนเขาไปไปสมัครปั๊บเขาก็ให้บวชแล้วพอบวชปั๊บก็ได้งานใหม่ละงานบิณฑบาตคำถามจากคุณปอกราบเรียนถามท่านพระอาจารย์ ผมทำงานแล้วนั่งไหว้รับพรหน้าจอคอมพิวเตอร์จะได้พรไหมครับมันอยู่ที่ว่าเราทําบุญหรือเปล่าทำไม่ทําบุญไปรับพรมันก็ไม่ได้พรอความยิงพร น, นี่ก็ไม่ใช่เป็นพรหรอกเข้าใจไหมพร น, นี่เป็นคําสอนเป็นการเป็นการบอกเล่าว่าทําบุญแล้วจะได้อะไรเวลาทําบุญพระจะสวดยะถาสัพพี ท่านแบ่งว่าการทําบุญนี้จะได้ประโยชน์สองส่วนประโยชน์ส่วนแรกก็คือผู้ทําบุญจะมีความสุขใจอิ่มใจประโยชน์ที่สองผู้ทําบุญสามารถแบ่งบุญนี้ให้กับผู้ที่ตายไปแล้วได้เผื่อผู้ที่ตายขาดบุญก็สามารถแบ่งบุญไปให้เขาได้นี่คือบทส่วนบทบทให้พรของพระเนั้นมัน จะให้พรหรือไม่ให้พรมันมันไม่ได้เกี่ยวกับผู้ผู้ฟังว่าจะได้บุญหรือไม่ได้บุญบุญนี้อยู่ที่ผู้กระทําบุญถ้าไม่กระทําบุญต่อให้ให้พระมาสวดอัฐเทพพระสวดมนต์แล้วมาฟังพระสวดมนต์ทั้งให้พรทั้งวันมันก็มันก็ได้แต่เสียงพรแต่ตัวพรคือความสุขความเจริญ ม, มันไม่เกิด ตัวความสุขความเจริญของจิตใจมันเกิดจากการทำบุญนะ่งนั้นคุณเวลาที่ฟังเทศเรื่องติดตามดูแล้วมีพระให้พรสวดให้พรแล้วเราก็มันมือมือรับฟังไปเราโดยที่เราไม่ได้ทำบุญทำอะไรเราก็ไม่ได้อะไรก็เพียงแต่ได้รับพรก็คือคำสวดแต่ตัวพรไม่ได้รับ ได้แต่ตัวชื่อของพอรว่าจะได้อายุวันนะสุขภาระอย่างเงี้ยแต่มันจะไม่ได้จะได้ก็ต่อเมื่อเราได้ทำความดีอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วความดีนี้จะทำให้ชีวิตของเราจเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองต่อไปคำถามจากคุณบุญเสริมพระอาจารย์ครับความสงสารถือว่าเป็นความอยากชนิดหนึ่งไหมครับ ความสงสารที่มีความอยากเข้ามาเกี่ยวข้องก็มีความสงสารที่ไม่มีความอยากมาเกี่ยวข้องก็มีความสงสารตัวม <c âu> ันเองมันไม่มีความอยากหรือไม่อยากความสงสารแปลว่าเห็นใครเขาเดือดร้อนก็ควรจะช่วยเหลือกันไม่ใช่อยากให้ช่วยเหลือควรจะช่วยเหลือช่วยเหลือได้ก็ควรจะช่วยเหลือช่วยเหลือไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้อย่างนี้มันจะไม่มีความอยากเข้ามาเกี่ยว แต่ถ้ามีความอยากเข้ามาเกี่ยวช่วยเหลือไม่ได้ก็อยากจะช่วยเหลือพอช่วยเหลือไม่ได้อยากช่วยแล้วช่วยไม่ได้ก็เครียดขึ้นมาทุกข์ขึ้นมาอันนี้มีความอยากเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ถ้ามีความไม่อยากมีเหตุผลก็จะไม่ก็จะไม่มีความเครียดไม่มีความทุกข์ช่วยเขาได้ก็ช่วยช่วยไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้เพราะบางอย่างเราก็ช่วยเขาไม่ได้ เช่นเขาไม่สบายเราไม่ได้เป็นหมอเราจะให้รักษาให้เขาหายแล้วก็รักษาไม่ได้อันนี้ก็ช่วยไม่ได้ก็ต้องส่งให้เขาไปหาหมอให้หมอช่วยแทนแต่ถ้าเราอยากจะรักษาเองนี่เรารักษาไม่ได้เราก็จะเครียดขึ้นมาจะเสียใจขึ้นมาถ้ามีความอยากเข้ามาเกี่ยวข้องมันก็จะทําให้เราวุ่นวายใจขึ้นมา ถ้าไม่มีความอยากเกี่ยวข้องมันก็จะไม่มีความวุ่นวายใจคำถามจากคุณนันทณีมีผู้ฝากกราบเรียนถามเจ้าค่ะคำถามคือว่าที่เราพิจารณาในขณะที่อยู่ใน อ, อุปจาระสมาธินั้นเราสามารถศึกษาเรียนสิ่งอื่นๆขณะอยู่ในอุปจาระสมาธิได้เหมือนกันไหมครับ คือข้อที่หนึ่งคำว่าอุปจารสมาธินี้ก็ผิดละ่ละเพราอุปจารสมาธินี้ไม่ใช่เป็นสมาธิที่เราจะมาศึกษาอะไรได้อุปจารสมาธินี้เป็นสมาธิที่เราไปรับรู้เรื่องต่างๆภายนอกรู้เรื่องในโลกทิพย์นี่คือเวลาที่เรานั่งสมาธินี่ขั้นต้นเราจะต้องผ่านอัปปนาสมาธิก่อน คือจิตต้องสงบนิ่งก่อนเมื่อจิตสงบนิ่งแล้วออกไปรับรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้รู้โลกทิพย์เนี่ยรู้รูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์อย่างนี้เป็นเรียกว่าอุปจารสมาธิขณะที่เรารับรู้ส่วนใหญ่เราก็จะไม่ได้มีเวลาไปศึกษาว่ามันเป็นอะไร พอเราไปเห็นอะไรเราก็จะไปเพลิดเพลินกับสิ่งที่เราเห็นเถอะที่คนนั่งเราไปเห็นนรกเห็นสวรรค์ก็เนยก็เป็นพวกอุปจารสมาธินี่หรือพ ว, ลลพวกที่ไปรู้ความคิดของคนอื่นว่าตอนนี้เขากำลังคิดอะไรอยู่อันนี้ก็เป็นเรื่องของอุปจารสมาธิส่วนเรื่องของอัปปนาสมาธิก็จะไม่คิดอะไร เวลาจิตสงบแล้วนิ่งเฉยสักแต่ว่ารู้ตอนนั้นก็คิดไม่ได้พิจารณาธรรมะไม่ได้ดังนั้นการจะพิจารณาธรรมะจริงๆต้องเป็นตอนที่ออกจากสมาธิแล้วเท่านั้นเช่นเรามาเดินจงกรมหรือเรานั่งเฉยๆแล้วเรามีความคิดปรุงแต่งตอนนั้นนเราถึงจะเอาเรื่องที่เราต้องการจะคิดมาคิดได้อยากจะคิดเรื่องร่างกายอยากจะพิจารณาร่างกายก็เอามาพิจารณาได้ อันนี้ต้องทําตอนที่จิตของเราออกจากสมาธิแล้วเพราะถ้าจิตเราไม่มีสมาธิจิตเราจะไม่มีกําลังมาคิดทางปัญญาทางธรรมะเพราะอะไรเพราะกิเลสจะดึงใจไปคิดทางกิเลสใช่ไหมให้เลือกระหว่างเปิดหนังสือแฟชั่นกับเปิดหนังสือธรรมะนี่จะเปิดหนังสืออะไร ถ้าไม่มีสมาธิร้อยทั้งร้อยต้องเปิดแฟชั่นแน่นอนเพราะกิเลสนั้นมีกาลังมากกว่ากิเลสมันอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสแต่ถ้าเรานั่งสมาธิออกมาใจเราสงบนี้เราจะเลือกได้ว่าจะเอาหนังสือเล่มไหนดีเพราะเราจะคิดด้วยเหตุผลว่าดูแฟชั่นกับเท่านั้นมาดูหนังสือธรรมะสู้ให้เกิดปัญญาดีกว่าเราก็จะสามารถาพิจารณารมหรือดูหนังสือธรรมะได้ คนที่จะไปทางระดับปัญญาจริงๆนี่จะต้องมีสมาธิก่อนถึงจะสามารถดึงจิตให้มาทางปัญญาทางธรรมะได้แต่ถ้าจิตยังไม่มีสมาธินี่ร้อยทั้งร้อยเดี๋ยวก็เปิดแฟชั่นละเปิดหนังสือเปิดอเมซอนไปช้อปปิ้งที่ไหนซื้อของที่ไหนเพราะจิตมันอยากจะได้กิเลสมันอยากจะได้แต่เวลาทำจิตให้สงบกิเลสมันจะถูกกดเอาไว้ มันจะไม่มีกําลังเหมือนตอนที่ไม่มีสมาธิตอนนั้นเราสามารถใช้เหตุผลถามตัวเราได้คนจะดูหนังสือแบบไหนดูหนังสือธรรมะดีหรือดูหนังสือทางโลกดีก็เรามาปฏิบัติธรรมเรามาศึกษาธรรมเราก็ต้องดูหนังสือธรรมแต่ที่ไม่ดูกันก็เพราะว่าสู้กิเลสไม่ได้เนี่ยโทรศัพท์มือถือเนี่ยเคยกดดูหนังสือธรรมะกันหเนี่ยในมือถือก็มีหนังสือธรรมะเต็มไปหมดเนีย อยากจะดูธรรมะของไทยของอุตเจ้าของอาจารย์น o ไหนกดเข้าไปค้นหาได้แต่ไม่คน้นกันชอบค้นหาว่าร้านอาหารอยู่ที่ไหนร้านขายกระเป๋าอยู่ที่ไหนร้านขายรองเท้าอยู่ที่ไหนก็เพราะว่าใจเรามันมีแต่กิเลสมันก็ดึงเราไปทางกิเลสเราจึงต้องมานั่งสมาธิก่อนเพื่อมาตัดกำลังของกิเลส พอกิเลสถูกตัดกำลังแล้วเราก็จะสามารถใช้เหตุผลมาสอนใจว่าควรจะเลือกดูอะไรกันแน่เราถึงจะไปทำธรรมะได้ในคำถามเมื่อกี้นี่หนึ่งพูดแบบไม่รู้เรื่องสมาธิก็ไม่รู้เรื่องนะว่าสมาธิแบบไหนอุปจารสมาธินี่มันไม่ใช่เป็นสมาธิที่เราจะมานั่งคิดธรรมะกันนะได้ต่อเชิน เป็นภาษาไายก็ได้แล้วภาษาอังกฤษกัไภาษาไทยกันคือโยมเองเวลานั่งเวลานั่งสมาธิเรารู้สึกว่าเวลานั่งเนี่ยอย่างที่คือไม่มันสงบแต่ไม่ได้แก้ปัญหาอะไรทีนี้มีความรสึกว่าตัวตัวของโยมเองคือเมื่อเห็นปัญหาตรงนั้นมอง มองปัญหาตรงนั้นพิจารณาแล้วถึงจะค่อยๆทำใจฝึกใจรับได้อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ทราบว่าเราต้องต้องเพิ่มปฏิบัติในการสมานั่งสมาธิด้วยไหมสมา <c oughs> สมาธิก็มีส่วนเพราะว่าถ้าเรารู้เหตุว่าเกิดจากความอยากแต่ถ้าเราไม่มีกำลังสู้ความอยาก <c oughs> มันก็ยังหยุดความอยากไม่ได้ก็ควร ต้องฝึกเสริม ฝ, ฝึกสมาธิเยอะแล้วก็ต้องฝึกเหตุผลว่าปัญหาของเราเกิดจากความอยากเพียงแต่เราจะรู้ว่าเป็นตัวไหนหรือเปล่าตอนนั้น อ, อย่างเช่นพิจารณาดูความโกรธก็คือจะมองอยู่ว่าพอมันโกรธเราเห็นว่าโกรธแล้วนึกว่าถ้าถ้าตอนนั้นตัดสินใจหมายถึงว่ายังจัดการไม่ได้ตอนนี้จะดึงกลับมาอย่างเดียวคือเห็นความโกรธเห็นแล้ว ย, ยังไง ถ้าไม่สามารถจะจัดการได้ก็จะนึกพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆจนซาลงอย่างเงี้ยเราเราวิธีนี้เราดึงใจออกมาแต่ยังไม่แก้ปัญหา่่ยังไมแกพอเดี๋ยวไปเจอเรื่องเก่าก็โกรธใหม่แต่ทอนี้มีทางอะไรที่จะทําพัฒนาเราให้ให้ดีขึ้นให้วางจิตก็พอจัดพอดึงจิตออกจากเรื่องนั้นแล้วจิตหายโกรธแล้วก็มานั่งวิเคราะห์ว่าเมื่อกี้เราโกรธเขาเพราะอะไร โกรเพราเราอยากให้เขาทาอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วแล้เขาไม่ทําเราก็เลยโกรธแล้วเราไปสั่งเขาได้หรือเปล่าอถ้าสั่งไม่ได้<ๆ>เขาเปลี่ยนใจต่อไปนี้เราอยากไปอยากให้เขาทําอะไร อ, อแล้วต่อไปเราก็จะไม่โกรธเขาอย่างที่เมื่อกี้บอกเขาเขาทําเราไม่ดีทำํำเขากลั่นแกล้งเราหรืออะไรเมื่อเราห้ามเขาไม่ได้เปลี่ยนเขาไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนเราั่านนี่แต่การฝึก ทำไปเช่นนี้เรื่อยๆมองมองเรื่อยๆแล้วก็ฝึกใจเรื่อยๆไม่ได้ดูเขาผิดหรือหรือหรือหรือรอยากแต่รู้แต่ว่ารมมันมีกิเลสความโกรธขึ้นมาการฝึกมองพิจารณาตรงนี้ไปเรื่อยๆมันจะทำให้ตัวกิเลสนี้เบาเบาเาเรารู้ว่าเป็นกิเลสของเราที่เป็นตัวปัญหามันก็จะเบาลงเพราะเราจะหยุดมัน การมองย้ําตรงจุดนี้ก็ใช่มองที่จุดแล้วมองที่กิเลสของเราอย่าไปมองที่เขาอืมค่ะครับเหลืออีกสองนาทีพอนี้เฟซบุ๊มันตัดไปครับคําถามหายไปครับหมดเลยไหมครับผม คำถามอื่นไม่มีไมมันคำถามสุดท้ายอพอดีครับสุดท้ายก็ย่งน้ก็เอาแค่นี้ก็แล้วกันนะพอก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วเด้อนาทีสองนาทีมีเหตุที่ทำให้ไม่สามารถอ่านคาถามสุดท้ายได้ก็เอาแค่นี้ก่อนขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอ